เป็นวันธรรมชาชนะขึ้นแปดค่ำเดือนสิบก็ เ, เป็นโอกาสที่พวกเรามาพร้อมกันที่วัดพระอารามเพื่อบำเพ็ญสานาธรรมเพื่อทำงานทำการเกี่ยวกับชีวิตจิตใจของเราเราต้องมีงานมีการทำ มันเยอยู่เฉยๆเพราชีวิตเราเกี่ยวข้องกับหลายสิ่งหลายอย่างที่จะทําให้ยุ่งเหยิงสับสนอันที่เป็นการงานความโกรธก็ต้องให้ยุ่งเหยิงมีภาระความทุกข์ก็ให้ยุ่งเหยิงมีภาระความวิตกกังวลเศร้าหมองความล้าความช่างอันนี้มันเป็นภาระ ต้องทําให้มันสําเร็จนอกจากนั้นก็อาชีพต้องทํามาหากินแต่ไม่ชนางก็โอดจากลําบากใ่เหนื่อก็ต้องมีกินแต่หนาวก็ต้องมีผ้าห่มแต่ร้อนก็ต้องมีล่มเงาเจ็บไข้ใดป่วยก็ต้องมีโอกาสรักษาแม้แตตัวของเรา เพื่อที่จะเป็นไปได้ความสะดวกเราก็ต้องมีงานในการทํางานทําการทํางานแล้วก็ชีวิตของเราก็มีสองที่สองส่วนส่วนกายส่วนจิตใจส่วนกายก็เกี่ยวข้องให้ถูกต้องส่วนใจก็เกี่ยวข้องให้ถูกต้องเราก็มีงานทั้งสองอย่างงานภาวนา เป็นงานหลักถ้ า, านาภาวนาสำเร็จก็ควบคุมไปถึงกายด้วยเศรษฐกิจสังคมสุขภาพด้วยแต่ถ้าขาดงานภาวนาแล้วก็อาจจะไม่สมบูรณ์สมดุลทางกายสุขภาพเศรษฐกิจสังคมก็อาจจะไม่ดีเราจึง ไม่ประมาทต้องศึกษาท่องปฏิบัติดโดยเฉพาะตัวหลักของการปฏิบัติธรรมการเจริญสติปัฏฐานการภาวนานี่เป็นเรื่องที่จะรีบต่วนกว่าเรื่องอื่นใดแล้วก็ไม่ใช่เลือกด้วยแล้วก็พยายามที่จะเพิ่มเติมภาวนาไปอยู่กับทุกข์นทุกข์แห่ เวลาเราทำงานทำการหัดเพิ่มหัดเติมความรู้ฝึกตัวเข้าไปอย่าให้ม่แต่ความถ้าไม่มีความรู้จะมีความไม่รู้จะมีปัญหาจะมีทุกข์ชีวิตเราไม่ควรที่จะมีทุกข์การทำงานทำการไม่ใช่เป็นเรื่องของความทุกข์ รราการทำงานคือการระพฤธทำพร้องกันไปหลายสาไม่ค่ายิ่งเหมือนคนฉลาดยิงมัดเดียววิ่งเกีดนกหลายพกเอยอาจารย์พุทธทาสแล้วก็ไม่ใช่อยู่เฉยๆดอกพอสองสี่วัดก็ทำงานทำการเพื่อให้มันเป็นวัดเพื่อจะได้สะดวกแก่ผู้บงเพ็ญเจียนภาวนา แก่ผู้มาปฏิบัติธรรมแต่พระสงฆ์ก็ต้องศึกษาช่วฟังคำสอนศึกษาตามถ้าทมวินัยปฏิบัติชอบตามพัฒนรทมวินัยมารู้ยิงเห็นจริงแล้วก็สอนคนอื่นให้รู้ตามนี่คือหน้าที่ของพระสงฆ์ไม่ใอยู่เฉยๆการที่จะสอนคน ก็ไม่ต้องไม่ใช่ว่าเป็นนั่งอยู่กลางทุ่งนานั่งอยู่ตามคันนาไม่ใช่ก็ต้องมีเสนาชนะมีที่อยู่อาศัยนขนถวายที่จะให้เปิดความสะดวกในการบําเพ็ญภาวนามีสับพยะมีเสนาสะนะมีอาหารมีธรรมมีบุคคลให้ก็คอสะดวกพอเราที่เป็นชาวบ้านก็อสร้างความสะดวกขอที่จะไปวัดไปวาได้ พอที่จะเอาหมูอนิดส่วนกันไปหังจากแม่โตส่วนกันมาขับรถมาสวนเพื่อนมาสามสิบกิโลขอขอก็พอสะดวกแต่บางคนก็ไม่สะดวกเลยไม่สะดวกจริงๆบางชีวิตนะมันกระโกมัดรัดลึดลงเอาไว้ ก็บางครั้งก็ไม่ค่อยเหมาะสมเราจึงควนวายชีวิตของเราถามีในในลูกมีหลานก็ช ว, ลวนลูกชนหลานมาด้วยดึงกันมาให้เกิดความสะดวกเอากันเอากันบ้างอะ่ไปคนเดียว เอาหมูเอามดถ้าจะคิดก็คิดแบบคิดแบบถ้าคิดแบบดีๆถ้าจะทำก็ทำดีๆถ้าจะพูดก็พูดดีๆเช่นถ้าจะคิดไม่ได้ทำอาจจะความคิดของเราอาจจะเป็นกิ่งเห็นคิดว่าขอให้อยู่เย็นเป็นสุขอะไรๆก็ตาม ทุกสระพสิ่งให้อยู่เย็นเป็นฉุขปราศจากทุกโศกโลกภัยต่อไปด้วยอายุวันนา้าสุขภพระต่อไปอีกขัสิทธิการงานหน้าที่ให้สําเร็จตามความประสงค์ต่อไปอีกในโอกาสทําบุญให้ทานรักษาศีลบําเพ็ญเจริญภาวนาต่อไปอีกเพื่อให้บรรลุธรรมของพระศาสนาไมชาติปัจจุบันนี้ ต่อไปอีกก็ไปช่วยคนอื่นสอนคนให้รู้ตามต่อไปอีกให้มีความสุขทุกค์ทนมากถ้าจะหัดพูดหัดคิดให้มันคล่องอาจจะคิดเฉยๆแต่ว่าบางทีมันก็ลงมือทำมันไปทางนี้ชีวิตเราต้องหัดเดิ่นทางนี้เห็นอะไรเห็นอะไรก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขจะมาเรียดเบียนเรา เราก็ไม่เปลียนเปียนเขาถ้าเขามาเปลียบเปียนเราเราก็รักษารักษาพยายามที่จะมาเปลียบเปียนกันอ่าพูดบ่างคิดบ้างทําบ้างเป็นยุง ม, มันกันเขาบอกว่าจะมาเปลียนเปียนกันไล่มันออกคนเขามาด่าเราเออย่ามาเปลียบเปียนกันเราก็ไม่เปลียบเปียนเขาเวลาจะทําอะไรเราเราก็อ่ามาเปลียนเปียนกันเลยให้อยู่เย็นเป็นจุด คิดไปทางนี้คิดไปทางโล่งโล่งอย่าคิดไปทางหนักหนักโล่งโล่งเบาเบาก็ต้องหัดคิดอย่างนี้ว่างถ้าคิดแต่เรื่องกระทบกระทืบรักคนนันโสดคนนี้ชอบคนนั้นไม่ชอบคนนี้คิดไปแบบนั้เหือนมันไม่มีนิสัยนะ ไม่มีสก็ไม่มีปัจจัยเป็นคนคิดไม่เป็นนยโอกาสที่จ ะ, ะทำความดีก็ไดยอยากไปคิดไม่เป็นแต่คิดเป็นก็ทำความดีได้ไง่ายมันช่วยเหมือนกันต้องหัดตัวเองมองอะไรก็มองในแง่ดีนะนี่ก็คือการฝึกหัดการงานของเราไม่ได้ทำอะไรก็ทำอยู่ คิดอยู่ทำใไใจะอยู่ปฏิบัติตามอยู่แม้แต่ทํางานทําการอาจจะเป็นกิริยาไม่ใช่ทุกถ้าเราไม่หลักแหลมจับจอบจับเสียมอยู่กลางท่งไล่ท่งนาก็าอาจจะไม่เป็นทุกเดินตามถนนห น, นทา ง, งสังโซฟาหน้าโซ ด, ดินก็ไม่เป็นทุกถ้าเราเราหัดทดําดีคิดดีพูดดี เดียวข้าวก็พุทโธพุทโธลำนาก็พุทโธพุทโธนวดข้าวก็พุทโธพุทโธตั้นันาก็พุทโธพุทโธเอ้ามันขึาอะไรไม่รู้ถ้าบางคนก็คิว่ารานี่ลำบากยากเป็นความทุกข์ยากลาบากไม่ได้โย่ไม่พักไมพอนทำอะไรก็คิดแบบนั้น มันซ้ำเติมตัวเองการอยู่โดยชอบมันก็ต้องสร้างพอสมควรนะไม่บางทีเรามาปฏิบัติทำแท้ๆเลยว่ามีทุกข์ทำไมได้ฉันทำไมได้อ๋จะไปเอาอะไรทำดีมันจะได้อะไรสร้างความโลภ ก, ก็ได้ความโลกทำซื่อๆไปเนย ปฏิบัติธรรมเดียวก็มาทดลองจะเอาอย่างนั้นจะให้ได้อย่างนี้ที่นนนทีที่นี่ไม่ดีเอา้าก็ไปทางอื่นแล้วเห็นไหมเวลามือในสำนักปฏิบัติธรรมเขาใช้ให้่าปืนตำข้าวไม่ค่อยมีโอกาสมาฟังเทศฟังธรรม ไมได้มีโอกาสมานั่งฟังอาจารย์พระปริด้ยกองที่ห้าในเด็คนอื่นนั่งล้อมมวยล่างในผ้าพื้นผ้พาพื้นก็อาจจะพุทโธรูร้ ส, รรรสึกตัวอยู่กับการผ้าพาื้นตําข้าวก็รู้สึกตัวอยู่กับการตําข้าวผ้าพื้นําข้าว โน่อยู่โน่นริมวัดโน่นเพื่อไม่ให้มายุ่งเหยิงกับคนอื่นเขากับดําขวนญด่าเมฆถ่าปื้นดําข้าวอยู่โน่นผลลิตสุดพระปริณายรถยกองที่ห้าจะมอบการงานให้พระปรินิยรถยกองที่หกออสืบโทษสืบสกุลต่อไปก็เลือก ก็เลือกผู้ที่จะมาดำรงถ้าจะว่าก็คือศาสตราองค์ต่อไปก็ให้ลูกสิด ท, ทั้งหลาย ห, หมายเขียนโลกว่าใครจะมีหัวคิดปัญญาจงไงคนทั้งหลายก็อาจจะไม่คิดก็คิดแต่ว่าโอ้ผู้ที่อยู่ใกล้ๆ พระปรายกองที่ห้าหรือลูกศิษย์คนโปรดของท่านมีความเหมาะสมดีกว่าท่านพูดจาฉลานสอนแทนอาจารย์ได้ค น, ะนทุกคนก็ไม่กล้าเลีกขางไม่ไม่กล้าไม่กล้าที่ไปคิดแต่ก็มีลูกศิษย์คนใกล้ใกล้นั่นแนะหละเขียนโศกขึ้นมาใส่กระดาษ หน้ากติอาจารย์ศาสดาเปรละร ย, ะยกองค์ที่ห้าว่าจิตใจเราเหมือนกระจกเงาต้องมันเช็ดถูอยู่เสมออย่าให้ทุลีมาเปืเป่อนได้โอ้คนมาอ่านเราก็ไม่มีใครกล้าแซงขึ้นเลยไม่มีใครกล้าเขียนต่อไปอีกเพราะมันเป็นสิ่งถูกต้องที่สุดแล้ว ชีวิตของเราจิตใจเราเหมือนกระจกเงามันเช็ดถูอยู่สเสมออย่าให้ฝุ่นทุลีมาเ พ, เพื่อนได้สุดยอดแต่วันทุกผิดทั้งหลายก็มาอ่านแล้วก็ไม่มีใครกด้เขียนขึ้นอีกวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามวันที่สี่วันถึงวันที่เจ็ไม่มีใครเขียน ก็จยกให้พระเลนโยกองค์ที่หกคนที่เขียนสโลกกันไปกันถี่แต่ว่า ว, วันครบรอบวันครบรอบที่เกตเนี่ยวุ้ยหลางก็ได้ยินนเขาเขียนสโลกันไปดูว่าเขาเขียนเรื่องอะไรอ่านหนังสือก็ไม่ออกชวนพื่นมามาก็ไม่เห็นป้ายเขียนอยู่ที่หน้ากปติอาจารย์ทุกวันทุกเพืนก็จำแต่ข้าวผ่าปืน เลยขอโอกาสมาดูกับเขาด้วยมาไปชวนกันมา ท, ทุเล็กทุเลา่าจากการวางตามขวนป่าเปืนตามเข้าออมาพมาเหงนเปิดตีนาอาจารย์ก็อะไรเพื่อนอานให้ฟัง <c> ฉ <oughs> <c oughs> ันก็อ่านมาว่าจิตใจมันกระจกเกามันเช็ดตัวอยู่เสมอจะให้ฝนทุเรีมาเปื้อนได้เฮ้ยด่างก็บอกเพื่อเข <c oughs> ียนให้เขียนใหาเราด้วย เพื่อนก็ไม่กล้าเขียนออกบ็บออกังคับเขาเขียนเขียนเขียนมาเขียนยังไงเอ้าเราจมโลกจมโลกเวลานก็บอกว่านม่ไม่มีกระจกฝนจะมาเกาะที่ตรงไหนออก็บังคับให้เพื่อนเขียนเพื่อนก็เลยเขียนต่อท้ายไปลงชื่อด้วยนม่ไม่มีกระจก คุณจะมาเกาะที่ตรงไหนเขียนไว้เป็นวันที่เกตพอดีอาจารย์พระปรินยกองค์ที่ห้าเขามาอ่านดูอ่านดูก็รู้ว่าเมื่อไม่มีกระจกคุณจะมาจับที่ตรงไหนเลือกได้อันนี้เลยบัดเนี่เลือกได้ก็เลือกลุกสิทธินกติคติคือคนผ่าพรินมาหา มหาใแต่ลึกแต่ไม่ลึเลยทีเดียววันที่จะมอบเพราะประเยกองที่หกนะเลือกได้แล้ววนะันตัวเขียนเป็นตัวคนตำข้าวคนเผาพืนนะแทนที่จะเป็นลูกศิษย์ผู้องอาจอยู่ใกล้ๆนั่งคิดกับอาจารย์ช่วยช่วยสั่งช่วยสอนแทน ไปได้คนเผาพืนเหลือมาหาหมอบบาดหมอบกีบอนให้บอกให้ออกไปวัดไปแต่เช้ามืดแต่ว่าอยู่นี่พอตื่นเช่าขึ้นมาบาดกีบอนไม่เห็นลูกศิษย์ทั้งหลายก็ใครเป็นคนได้ใครเป็นคนได้ ถามอาจารย์ที่อยู่ใกล้ชิดก็ไม่ได้ถามใครก็ไม่ได้ถามใครก็ไม่ได้ไปใครในวัดมีใครบ้างที่ได้ไปก็ไม่มีใครสนใจว่าจะเป็นคนถ่าปืนถึงคนได้ฮนะคนที่สุดก็ทราบว่ารุ่ยหลางคนถ่าปืนคนตําข้าวเป็นคนได้รับบาทจีวรเป็นพระ ปศินายกกองที่หกสืบไปเป็นคนสุดท้ายไม่มีใครใไปอะไรไนีิคนตําข้าวคนถ่อพื้นไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมเลยชีวิตของเราเหมอือนกันอย่าไปมีอะไรที่ว่ามาขวงกันเราถ่พอพื้นแต่จะลู่เสึกตัวลู้เสึกตัวเนาะ ตำข้าวจะลูบสึกตัวไปเป็นเช่นนั่นเองอ่าเห็นมันล่อนเห็นมันเหนื่อยเห็นมันเลยดูไปจะลุกไปลูบไ ป, ไปตำข้าวไปผ่าปืนไปลูบสึกตัวไปะนะผลที่สุดมันลูทําขึ้นมาได้ขณะที่ตำข้าวขณะที่ผ่าปืนไม่มีใครเหน็ดไม่มีใครเหนื่อยไม่มีใครทุกข์ไม่มีใครลําบากเป็นกิริยา การผ่าพืนเป็นกิริยากันตามข้าวเป็นกิริยาไม่เป็นกรรมพอ ท, ทำถูกลู่สึกตัวลู่สึกตัวไม่ใครไหมที่ผ่าพืนตลอดเหมือนกับเวรหลางที่นี่ไม่ใครไหมที่ตามข้าวไม่มีเวลาฟังเทศฟังธรรมอยู่เที่ยงไม่ม แวรรค์ น, นี้ไม่มีด้วยการผ่าพื้นไม่มีกันตามข้าวข้างในมาจากว่านจะกเพื่อนอย่าสงสะาดเาเฟ้อขับรถเจ๋งมาขับรถสวยหรูมามีเงินมีทองมาทำบนตำดานนี่เราไม่บกพ้องเลยนะเพิ่มความรู้สึกเข้าไปเพิ่มความรู้สึกตัวเข้าไปเพิ่มความรู้สึกตัวเข้าไปกับการใช้ชีวิตทุก ทุกนาทีทุกวินาทีทยิ่งดียิง่งอย่าไปเพิ่มความหลงอย่าไปเพิ่มความทุกข์อย่าไปเพิ่มความโกรธอย่าไปเพิ่มความรักอย่าไปเพิ่มความชังอย่าไปเพิ่มความยินดียินร้ายถ้าจะคิดเป็นตัวเป็นตนเป็นทางไปก็ขอให้เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโลกภัยมีอายุวันลนะสุขภาพละทำจิตการงานานั้นชอบด้วยสินโดยทําให้สําเร็จตามความประสงค์ มีโอกาสรักษาศีลบำเพ็ญเพียรภาวนาะมีโอกาสบรรลุธรรมของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าในชาติปัจจุบันนี้เราช่วยคนอื่นให้รู้ตามมีความสุขทุกข์ทุหน้าให้มันคล่องทางนี่อย่าให้มันกล้องทางเขาดีกว่าเราเร า, เราเร็วกว่าเขาเขาชงเงือนเขาเราชงเงือเขาเราเร็วกว่าเขาเขาเร็วกว่าเราหมายถึงบบคิดแบบนั้นคิดแบบนั้นมันเป็นดีๆของขวาง ม, มันเป็นทางขวาง ทางขวงแบบนี้เ็าเรียกว่าเดระฉานอยาให้มันขวางทางไปง่ายๆต่อให้อยู่เย็นเป็นสุกโอ้ยโล่งหลที่จากทุกโศกลงไปอ้าวว่างไปแล้วอายุวันน้าจุขค่ะว่าอ้าบริสุทธ์ปลอดภยัยสังิกตการงานอันชอบได้สินแล้วทำให้สำเร็จเอาไปส่งนิ้วไปเลย้อกาให้ทนันรักษาสินบาเพ็ญเชิญภาวนา ไปแล้วนโอกาสบรรลุธรรมของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าในชาติปัจจุบันนี้ายแล้วสอนคนอ่นให้โลดตามเกิดความสุขทุกข์ทนหน้าถึงจุดหมายปลายทางชีวิตเราทำข้าวอยู่ก็คิดอย่างนี้ผ่าปืนอยู่ก็คิดอย่างนี้ทำแดดกังฝนถางยาไล่ถากญ้าสวนรับจ้างทำงานทำการ ไม่เป็นไรคิดแบบนี้ไม่ไม่มีอะไรขวางกันได้การงานก็เป็นการงานนันชอบเรไม่ได้ไปลักไปขโมยไปเราขวขาปืนเราํำข้าวอย่างที่เราทำก็เป็นประโยชน์อยู่เราทำไรก็เป็นประโยชน์ในผลกระทบในทางดีในโอกาสมาวัดมาวมาวดได้ไม่หาไม่ใช่ว่า อหาวันนี้หาหาช้าวจิ้เย็นไม่ได้เป็นอย่างนั้นหาชาวจินเย็นอย่างดีหาวันนี้ใช่นี่เมื่อวานนี้อันนี้ก็ลําบากหน่อยหาวันนี้ใช่นี่เมื่อวานหาชาววันนี้กินหาชาววันนี้จิ้าาววนนจเย็นวันนี้ก็ออยังอพอไหว ก็วิปลาบุษหาภาคเพียนขยันมั่นเพียรล่างการธรรมาหายินจะไปนั่งงอเท่างอเมอโพราณท่านว่าตื่นเช้าไม่เก้าหลังยามตื่นตอนเช้าไม่เก้าหลังยามตีหัวเมีเนี่ยให้แตกแขกไม่บ้านแขกมาบ้านห้ไล่นี้ นี่กี่ขาคิดค้นชัยจนมือตายคำสอนโบราณเราเคยได้ยินบ่ไมตุแ ม, ม่เพี้ยนแม่เพี้ยนมากเลยฮะมชุดแม่ข้าแม่ดวงแม่อ้ว น, น, วาวนามากเก็ไ้นมาเอออ่าเติมกมะสอบให้เขาหลังยามอาจารย์ปอ ยามอะไร้น่ฮะโอ้ยบรยิงเลยวะพุทธทคันสอนนะพุทธคันสอนนเป็มมือเท่าไม่เก่าหลังยามยามชินยามท่านยามปรพฤติประธรรมประชงยามศิลท่านภาวนายามสติปัญญายามเมตตาพอแล้วคิดเป็นเสร็จแล้วอันเป็นข้อดีเป็นค้อละธรรม แนี่เน่นยามกันยามพ่นบอกพลิกยามพ่นพักนี่วะยามต้นดอกุ้งแค่ต้นวงอะแค่ไรเลือกนะแต่อี้ตรงเตรีมหลายอี้ต้องเงอตรมมากเพราได้กินเรา ก, ก ไ, ไหวได้ยามนี่ต้นดอกพลิกนี่วะเออให้เขารังยามเทก็ท่ยามตนอะยามเฮ็ดละงอกให้วัดปลาเรา ไม่อกทำงาเจ็บเพลินแต่เดินหาตาหลวงพ่อหลวงพ่อเอ้ยหลวงพ่อเอ้ยแสงเพลินญาติผู้หลงอ่างไงอยู่ขนาดไหนแเดินหาหลวงพ่อญาติผู้หลงอ่างแต่เดินหาหลวงพ่ออะไรก็บุพเพ่้องเจ้าเจาแสงเพลินทีพรทัยก็หลวง่เอ้ยเอ้ยอยเก่าหลังยามตื่นมาเก่าไม่เก่าหลังยาวอ่า เตี๊ัวมเนี้ยให้แตกใ่ได๋พอทยกพอผู้ใหญ่ตี๊ยงัวแมเนียให้แตกอาวย่างไปสอนศาสนานี่พากันไดขอนะเตี๊ยตี๊ยงัวแมวเนียให้แตกาบ้านเพอทะยบนะคนเรื่องสว่างกล้านคนโลราณเนาะนะพอผู้ใหญ่ S <S เอออันไดทีนี่มรดกมูนมัง่งคันท่าความจนนี่ก็เอาให้แตกความจนให้มันแตกออกไปความยาให้มันแตกออกไปแตว่าเนี่ยนะก็คือพลาแล้วเป็นผู้ให้จะต้องเลี้ยงดูแล้วอ่าที่นี่มุ่นมรดกมุน่นมรดกของเมียเนี่ยสรุปสาวคนนั่นละเลี้ยงให้มันดี ไอ้เขาไม่ยอมซุกจะทะเลาะิวาทจะโกรธจะเครื่องกันแต่นีงหนามีการกับหัวให้ไปหน้าหน้าเพี่ <Yeah. S 1> อนเขาเหางื่อตัวนั่งมากเลยเลี่ยงไม่เปนไดรหลกได้เต่าปนง้อปนกล้วยมาเอาแันขยายไปอีกเพราะเรนได้มาตัวนังกระขายเลียนโมกเลีนไทมันกระวายตีหัวเม้นมี่ให้แตกเข่มห้าบ้านให้ไรนี้ตายคือ่อไปเลย เ, เห็นไรเห็นะแขกบ้าบ้านไรไรนี้นะเพืนะม่ดวงแมอ้วนแม่ลิขแม่แขก้าบ้านไรไรนี้ไรกันไดล่ะองพอไปเมือยหรืไรรองพ่อหนี้หรอฮะนี่ไรนี้นนนแขกมาบ้านไ้ไรนี้ฮะไอจะได้า น, นะ แขกม่บ้านอะไรนี้แขกก็ะเขือขั้นตุกะอ่านีว่าปัฏัสสะวนเนตังิกเวกิตังตันแตงโขอาันตุเกหิอุปจิเลสเหอุปิจิตถังถ้าเป็นภาษาบาลีแขกมาบ้านอาคันตุเกหิ วกิตนี้ประพัดสอนของใสมาแต่ uh, ma Wave เดิมอุปาิเลตตั้งจรมาทาให้จิตเศ้ามองต้องไล่มันนี Bye ้อ่าไม่หรอกเคยไล่แขกกันนี่นี้วะเลยหมันน่องเยื้อขาเมือยสามขึ้นรอกอะไรยังไงสองมือแล้วยังเห็นมันนองอยู่นังโกรธจู้โกรธพอยังหรือเป่ารตัวเกิดสามีเกิดเพื่อนบ้านเกิดพี่น้องเกิดโกรธพนั่นพกนี้ัง แขกมาบ้านใหครเนี่ย <Okay. S 1> เรียกว่าอาคันโตกะแต่ตอนนี้จิตประพัดสอนสองสายเสมอแต่อาคันโตกะเคยกิเหล็มันจรมาพักที่บ้านเราเคยจิตเราทำให้จิตเราเศร้าหมองต้องไล่อ อ, อกให้เส้นให้ทําอยู่แขกบ้านให้เนี่ยนี่ขี้ขาซิบค้นช่ยนวันตายนี่ว่าไม่ขี้ขาเ่า ฮะไม่อ้วนไี่ร้องีกาฮะขาซิบคนใช่จนวันตายเมื่อซิบหนียวใส่ทำคนดีใส่โนกใส่หวายใส่ทําบุญให้ท่านใส่รักษาศีนใส่คอยเหลือใส่ทรรมะหาจีวิใส่ทํานคนดีโดยมือโดยใจของฮอน เราคำสอนโบราณพันว <c oughs> ่าการปฏิบัติทำไงมันพร้อมแล้วในชีวิตเราพร้อมที่จะทำความดีพร้อมที่จะละความชั่วไม่มีอะไรที่จะพร้อมเท่ากับกายกับใจเราพร้อมที่จะทำความดีทำข้าวอยู่ก็ได้บรรลุธรรมผ่าฝืนอยู่ก็ได้บรรลุธรรมหาบดามจอบดามเสียมทำมาค้าขายเลี้ยงลกูกเลี้ยงหลานแล้วพวกเราก็มีโอกาสมาอยู่ วัดว่าอาจารมาได้ยินได้ฟังแล้วสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมันเป็นจริงเป็นเท็จอย่างไรของมรู้สึตัวเป็นอย่างไรสัมผัสดูมันเป็นอย่างไรมันต่างกันกันกบความหลงอย่างไรสลงพ่อพหลอกพระพุทธเจ้าหลอกเราครว่าอาจารย์หลอกเราหรือว่าเป็นเท็จเป็นจริงอะ ทำก็บอกว่าบุญคือใจดีบาปคือใจร้ายนิพพานคือใจเย็นมันก็ไม่เหลือความสามารถของพวกเราเราก็สามารถที่จะทำได้ <c oughs> ใจมันก็อยู่กับเราเร <c oughs> าจะทำให้ใจเราบันดีําไม่ต้องไปเกินใคร <c oughs> ตั้งต้นได้ทันทีํทำใจได้ทันที ความชัก็ลได้ทันทีอาหาเย็นยเย็นทันทีหายใจสักสิบลูหายใจครั้งถึงอาจจะอึ้นแ่ น, ออ น, แนว่จังเด็กหน่อยต้องหายแ น, ายาน่ น, ออ น, น, ออน่หายใจครั้งที่หอ้นตึ๊ดหายใจครั้งที่สองก็จะอื้นหายใจครั้งที่สามที่ทที่สิบปกติเลยความโกรธความทุกข์ความวนกัน สู้ก็หน่อยหายใจเข้าไม่มเป็นเลยช่างงัวมันเอาไปมาหายใจส0บครั้งด่ากันไปได้ถ้าใครโกรธกนลองหายใจเข้าส0บครั้งจะด่ากันไปได้ <c oughs> แต่ว่าจะต้องรับใช้ความโกรธนี่เรียกว่าทำให้มันเยืนมันรา กีเขากีเขาให้ลูกค่อยกเขาให้ลูกพอกรเพียนหรื อ, อแต่ก่อ น, นะแต่เราเมีทรายเขาน่ยเปนังหุมห่มเบิมทรายเขานั่นป่ะซึ่งเมื่อซึ่ื่นี่คิดว่ามีเนาะอ่าแล้วเขาทรายทรายเขาเปนังขอปั้นเขาแม่แม่ก็ทรายเข่าเราปั้นให้ปั้นให้เราแม่ก็เปาโคดโดโคดโคดนมันเย็น เขอาอ่อนๆจนเป็นเขาเย็เป็นกินได้ซึ่งว่ายนี่เราพอทยบนั่นเนงเรียคนเขาไปขอกินเขาหวานเมล็ส่เขาเขาหวานไปแสบมันมีปุ๋ยมันนี่มันไปนี่กินหอมมันสีเกินเกลี้องจนเหลี่ยมมองมองกินกับหวานเราชนไม่กินแต่ตอนนั้น ายเขาใหม่ๆเลไปขอจิ้นเขางม่ต่มเขาจะเหนื่อยเจ้าคนเจคนทั้งหวานทั้งหอมทั้งมันแทบประปัดลระปัายเตาโตโตโตโตเขาเย็นนั่กินรของเทียมันหอนให้มันเย็นเลยใจห้เข้าเข้ากันละเอาวันตนนั่นละเอาให้มันเย็นมันห่อนน้ำเลยเอาให้มันเย็นดืนั้งสี่ได้สวรรค์นในผ้าน ม้วนยกอธิษฐานศาถนาต้องกระทําลงไปะเห็นธรรมวัตรถ่อมรับเอาลงไปรับเห็นปกติลงไปปกติลงไปเคยมุกงนุ่งคุณคิดมือนี่ยุดไว้ยุดไว้ยุดไว้เคยหื่นใจยังได้ยุดไว้ยุดไว้มีกีฬาที่ทำให้ได้หยุดสร้างสติยุดไว้ยุดไว้รู้จุดตัวรู้จุดตัวเนี่ย พระพรทเจ้าสอนที่คนอื่นทำได้เราก็ทำได้แม่ก็ได้ทำได้ทุกชีวิตมีมือเรสองข้างรูปภาษาสมมติสมมติรูปจิกตัวเป็นขับพูดสมมติสติสติสติเป็นภาษาอินเดียรูปจิตตัวเป็นภาษากลาง ตาราภาษาบ้านเน่ากับของนื้อตอระภาษาบ้านเาาน่ากับติ้นตระาราภาษากลางๆแค่น้อยกับเลื่อนไว้อ่าอันเดียวกันรู้จักตัวรู้จักตัวเป็นสมมุติเป็นคํำพูดของรู้จักตัวจริงเป็นปรัชม์เอาสมมตุติมาเป็นปรัชม์จะรู้จักตัวบอกไปได้ ไม่แต่สัมผัสเราเองอมันเป็นปรมัทิตย์แล้วถ้าเป็นคํำพูดหลวงพ่อพูดหนอยกี่เดือนกี่ปีก็ยังเป็นสมมติอยู่ถ้าจะให้เป็นปรมัทิตย์ต้องเป็นของเราเองรู้จักตัวรู้จักตัวเองสัมผัส ด, ดูน่นเป็นปรมัทิตย์เป็นศีลก็เป็นปรมัทิตย์ศีลลปรมาิ สีรปรัมย์นี่ยจะเป็นคําอธิษฐานว่าเจตนาหมดเว้นจากการฆ่าเจตนาก็เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้เจตนาก็เว้นจากการกระทํามันไม่ใช่พรหมจรรย์เจตนาก็เว้นจากการพูดไม่จริงนี่เป็นสมมุติสีระปรัมยีลอุบปรัปมย์สีระไดมันรลง รูเลวลาใดมันโกรธรู้เรียนของโกรธเอาสีเออรู้เมื่ลีล้อุป ป, ปาละไหนเข้าไปใกล้อยาปล่อยให้ความหลงอย่าปล่อยให้ความโกรธยาปล่อยให้ความรักความชังมันมันมาเป็นใหญ่รู้รู้เราก็รับรับรับมืออุ ป, ปะาเดี๋ยวห้ามไว หยุดไว้หังจาเราห้ามลกูกไม่ให้เขาตีกันหยุดห้ามไว้อุปบกเข้าไปใกล้ขิดไม่ให้ทําำลายความโกรธจะมาทำํำลายความทุกข์จะมาทำลายสีละประมาภิ ร, รมิละได้แล้วนี้ปรมาภิรมิเป็นปรมัภิรแล้วหายโกรธแล้วหายทุกข์แล้วหายเครียดแค้นแล้วปรมัภิรมิให้ถึงโน้นนะ มันมีสามสามปัจจัยการตัวปฏิบัติจริงๆมันมีปัจจัยการสามอย่างเหมือนเราเห็นงูเห็นแล้วงูเห็นแล้วทายังไงอะไม่เช่นอะงูจงอางงูโคผูอย่หางเห้าหไหนว่าเดียวที่ทั้งหลาปนฮ่ อะไรให้ได้เห็นแล้วเห็นแล้วให้ไั้ไลยอ่าเห็นแล้วเดี๋ยวออกไปออกไปปัจจยกปัจจัยการหนึ่งเห็นปัจจัยการที่สองออกหนีไปปัจจัยการที่สามพ้นแล้วอ่าพระพุทธเจ้าเห็นทุก เห็นอรียสัจสีคือเห็นแบบนี้เราได้รูปคำาเรียสัจสีโยเป็นหลงได้ทำความหลงให้เป็นคว า, ามรู้ความหลงหมดไปแล้วย อ, ย อ, ยอย่างนี้เรียกว่าปัจจัยการมีอยู่สามอย่างอย่างนี้ตลอดไปมันโกรธและโคมโกรธ ควมโกรธหมดไปแล้วมันทุกข์ละความทุกข์คงทุกขหมดไปแล้วมันหลงละความหลงควหลงหมดไปแล้วนีน่มันสามปฏิกิยาการจึงทำเป็นตาธรรมจักรเป็นสิบสองขี่เป็นวงกลมสิบสองขี่แต่ละขี้สี่อย่างเป็นทุกข์สมุทัยนิโรธนั่นมมีสามปฏิกิยการ ไรสี่สามเป็นสิบสองเป็นสิบสองที่บาลาีก็เหมือนกันอย่างที่เราสวดบาลาีของปุจจ ա วพระงสหัสสมาินิมิตสาวอุดันถังบาลานีของปุเจ้าแคนนะแคน้ำมาอ่าแคน้ไปได้ผลงานนาลาคิลินเขาปล่อยช่างนาลาคิลินเข้าวิ่งชนกับปุจจ ա นางจิงจะบม่ได้กาเอาเอ า, เอาบักงามมัดใส่ทองหน่อย น, นุ่งสิ่นแสดงว่าเจ้าของมี้ทองอประกาศในมูชนทั้งหลายทราบพระพุทธเจ้าก็ทรงทรงคมสงบพูดออกมาคำเดียวเรื่องนี้ลูกลูเราสองคน ไม่มีคนอื่นรู้กับพวกเราสองคนมีเราสองคนเท่า น, นั้นที่รู้เรื่องนี้พอพระพุทธเจ้าพูดเรื่องนี้ปรากฏว่านน่นจรจะมานิกาอยากอ่ายพระพุทธเจ้าก็เขินหลมเงี่ยสิ่มงงไหมบกน้ำหลนตุกก๊กอกคนคนที <c oughs> <c oughs> ่เกยจระชายเส้นทางอะไรก็ใช่โย่อ่า เลื่นค่าถาเ้เ่ยบอกิ่นบักนาล้งพอกิ่นบักนาลด้ถ้าถาพระบริเจ้าจะอยู่กันมาท่านั้นบอกกินบักนาลเจ้เสียาติ้าถาเพราะขันพอบักนาลเนี่มันทําไห่พระเจ้ากระทกระทื่นทุกทนที่เรากระทบกระทื่นมันเราปฏิบัติทำอยู่เนี่ยมันลูกคาเข้าถึงตัวอริยสัจ ตัวเรือสัตติเราได้ทำอะไรเหมือนเรือสัติเห็นมันหลงสร้างความรู้ลวามูีแล้วความหลงหมดไปเป็นสามระดับสีละปรมีสีละอุตตรลมีีละปรมาถะปรลมีใหมันถึงปรมาถะฐานะปรมีฐานะอุตารลมีฐานะปรมาถะปรมีคักละอารมณ์ อันเป็นข้าวเ่ต่อจิตใจออกไปเรียกว่าวานนอกจะต้องก็เป็นวัตถุทานข้าหน้าโภชนะอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนมหอมยารักษาโรคทานะอุปปัฏะมีทาะนะปรมาถะปรเมฆให้มันถึงจิตถึงใจให้อะไรเขาให้ถึงจิตถึงใจให้มันถึงจิตถึงใจ จะให้เฉยๆถึงใจได้สละได้สละได้สละพอใจบริสุทธิ์ใจจะยกให้เหมือนวันนั้นวันที่ชาวมอเลสิงคโปร์มาเขาทำให้ให้ถึงที่สุดเขาก็เอาปัจจัยมาเอาข้าวสารมา เขาจะให้มันถึงใจแล้วจะเป็นหลักฐานเราก็ยื่นอัานน้นให้หลวงพ่อยื่นปัจใจให้หลวงพ่อหลวงพ่อก็เซ็นรับเขาจะได้สบายใจหายใจโล่งเพื่อนที่บริจาคมาเขาก็เห็นเนี่ยตอนนั่งอยู่เข า, เาปัจใจถวายหลวงพ่อเข า, เอาสิ่งของถวายหลวงพ่อเขาก็ถ่ายรูปเราก็หลวงพ่อก็เซ็น รับว่าใน้รับหลวงพ่อเขียนเซนชื่อลงวันที่ให้เขาไปบอกเพื่อนเพื่อนเขาร่วมบริจาคมาหลายคนมีชื่ออยู่ในกระดาษหลวงพ่อไปเขียนชื่อหลวงพ่อลงใส่กระดาษอันนี้หลวงพ่อไปคิดเองให้เราสบายใจเอามาเอามาหลวกพ่อไปเขียนรับให้เขียนลงไปเซ็นชื่อลงไปลงวันที่ลงไปวัดป่าสุขโตลงไป ก็ก็ได้ทำให้มันถูกมันต้องทำให้มันสะอาดตร่งใสทั้งสองฝ่ายปฏิคาหกู้นลับทายกผู้ให้ให้มันถูกมันต้องอะไรก็ตามต้องมีสามปฏิยการไม่ใช่มีปัติยาการเดียวสามระดับนะ กองทุกเห็นแล้วเปลี่ยนกองทุกเป็นกองไม่ทุกได้เปลี่ยนแล้วแล้วก็เปลี่ยนได้แล้วอย่างนี้นะต้องทำอย่างนี้อย่าให้มันเป็นการบ้านอย่าให้เป็นงานข้างมันจะยุ่งเหยิงภาษาเขาเรียกว่าอารมณ์ข้างไม่ต้องข้างวางไว้ เอาลมไวๆปล่อยไปไวๆแต่นี่เรียว่านักปฏิบัตินักปฏิบัติเขาทำกันอย่างนี้ให้มันทำอยู่ทำขึ้นให้มันได้อยู่ได้กินทันทีถ้าเป็นบุญก็ให้เป็นบุญถ้าเป็นบาปก็รับบาปถ้าเป็นสวรรค์ก็มีสวรรค์ทันทีทใจดีทันทีอารมณ์ดีอาจจะเป็นนิตรภพาพก็ให้เย็นได้ทันทีอนนี้ เรื่องของที่เราทําได้เอื้อมถึงอยู่ทําได้เอาใจเข้าเข้าสัมผัสเอากายเข้าสัมผัสเอาความรู้สึกตัวเข้าสัมผัสเนี่ยที่เราเรียกว่าจะเป็นอะไรก็ได้สัจจะพระมีอธิษฐานปรามีเมตตาปรมาปรมีขันติปรามีเหมือนกันหมดสามสิบทัพปรามีสามสิบทัศพระพุทธองค์เอาชนะหลังที่เราสวดพระองค์สหัสมาน ไาแ่แพ้ยักษ์ก็่ายแพ้อะไรก็ไผ่แพ้ไปเลยชนะไปเลยเรียกว่าบาลมีบาลมีสิทัศแต่ละทัศมีอยู่สามบวกเข้าไปเป็นสามสิทัพขึ้นสีละบาลมีแต่ว่าทัศที่หนึ่งสีละบาลมีทัพที่สองสีละบาลปัตตาบาลมีทัศที่สามแต่บาลมีมันมีสิบ แต่บวกเขาไปด้วยสามเป็นสามสิบสิบสามสามสิบให้มีในชีวิตเราให้มันหลุดหลุดให้มันเข้าถึงอย่าให้มันขวงกัน้นความสุขมาขวงกัน้นความทุกข์มาขวงกัน้นอะไรต่างๆมันขวางกัน้นสิ่งที่ขวางกั้นเขาเรียกว่าเดรัจฉานไมนให้เราไปถึงทานถึงศีลถึงปรมาทตย์เราต้องไปให้ถึงไปให้ถึง มันหลงเขี่ยมความหลงเป็นความรู้ความหลงหมดไปแล้วมนแต่ความรู้นี่ถึงแล้วเรียกว่าเข้าถึงแล้วข้าพระเจ้าถึงแล้วซึ่งพระพุทธเจ้าข้าพรเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมข้าพระเจ้าขอถึงซึ่งพระสงฆ์มันถึงมันไม่ใช่ถือไว้มันถึงแล้วถึงชีวิตจิตใจของเรากลายเป็นรู้เป็นตื่นเป็นเบิกบานได้อมันเศร้ามองกลายเป็นความเบิกบานอ่า มันมากลายเป็นความเบามันทุกข์กลายเป็นความไม่ทุกข์มันหลงกลายเป็นความไม่หลงนี่เข้าถึงเราทําได้เราทําทอย่างนี้เรื่องวันนักปฏิบัติเราสร้างแท้ๆเราทําแท้ๆเรารู้สึกตัวอยู่เรารู้สึกตัวอยู่ไปยินหรือเพื่อนม่สามปะเนหรือเปล่อ๋อนี่ก็ได้เวลาแล้วแสงเงินแสงทองขึ้น พอศีลแม่ศีลจะได้สมาทานศีลให้ครบวันหนึ่งคืนหนึ่ง